ก็ต้องให้ยาอย่างหนึ่งถ้าคนไข้นั้นเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้อีกอย่างหนึ่งหมอที่รอบคอบมีความรู้ดียอมรู้จักการลาเทสะในอันที่จะให้ยาแก่คนไข้นักสอนศาสนาก็เหมือนกันควรจะต้องรู้จักการลาเทศะในอันที่จะให้ธรรมะแก่คนอื่น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 ถ้ามีหลงอย่างนี้แล้วเราก็เป็นอิสระที่จะมาหรือจะไปจะทำอะไรจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิน้นคนที่มองเห็นตัวตอนอันนี้และยืนยันดันที่ลราวมานี้ได้จะเป็นบุคคลที่ฝึกสมาธิง่ายและในขณะใดถ้าจิตใจเกิดอ่อนแอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่สบายใจอย่างไรก็ตาม